พุทธวสวสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกันในเช้าวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งกับรายการสรนสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอที่เราหยุดภักเสาร์อาทิตย์เพื่อจะมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดิฉันสันสนีนาคพงษ์เินรายการมีพระเพรบุร์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนะคะจะมาเป็นผู้ที่นําเอาคําสอนของพระศาสดามา ตอบคำถามต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่ท่านทั้งหลายจะได้รับในรายการนี้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยก็คือว่าเราจะให้การปฏิบัติธรรมของท่านนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็มีพระที่ทําหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้กับผู้ที่ไปฝึกปฏิบัติเป็นประจําประจําเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะมาเป็นผู้นําปฏิบัติท่านในทุกๆวันขอเพียงแต่ ให้ท่านเตรียมตัวกันมีเวลาเตรียมตั ว, ว, ตยตวอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันกําลังจะพาไปพบกับพระอาจารย์เพรบุญอภิปุโนที่เราจะให้ท่านนําขึ้นต้นด้วยการปฏิบัติกันก่อนแล้วด้วยค่ะกรับมาพิการกันทั้งคะเยิ่ยมผานในช่วงของการปฏิบัติแล้ก็ให้เรามามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งการเตรียมตัวอย่างที่เราสามารถเตรียมตัวได้ก็คือการที่ฝึกสติอยู่กับลมหายใจนไม่ใช่เฉพาะ ในขณะที่เราฟังรายการนี้อยู่แต่ตั้งแต่เราตื่นนอนในขณะที่เราเข้าห้องน้ําหรือกิจกรรมอื่นๆใดๆก็แล้วแต่นั้นเราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจของเราได้เพราะว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและในขณะที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่อย่างนี้และสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนไว้เสมอนั่นะคือเรื่องของการระลึกถึงในะการตั้งจิตเอาไว้ให้ดีการที่เรามาตั้งจิตเอาไว้อย่างดี มีที่ตั้งที่ระลึกถึงที่ดีแลนะีวของเราจะอยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลธรรมในะการที่จิตอยู่ในแดนที่เป็นกุศลธรรมนั้นันนจะทําให้จีว์ของเรามีความเย็นความเบาวความสบายแลนะ3มอย่างที่เราสามารถใช้ได้นอกจากเรื่องของลมหายใจในะการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นได้เคยตรัสไว้กับพระได้เคยตรัสไว้กับท่านมหานามะ ถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำ ใ, ใจในเรื่องนี้ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ามาหนามะเธอจงเบาใจเถิดว่าบุคคลผู้ใดที่ป่วยเป็นไข้พึงตั้งไว้ด้วยความเบาใจว่าท่านนั้นมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวนไหวในรพระบุทรเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้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 อันอยางหลงมั่นไม่หวั่นไหวในประสงค์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสง์ที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสง์ที่ควรแก่สักการะที่เขาจัดบายต้อนรับเป็นสง์ที่ควรรับทักษินาทานเป็นสง์ที่บุคคลทั่วไปจึงทำมัญเชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดัางนี้และนี่คือเรื่องของรัตนสามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับท่านมานามะเจมบอ่อดสาธุค่ะก็เท่ากับว่าทำให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเนี่ยนะคะแล้วก็พระธรรมและพระสงฆ์ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น เออคือมีคนบทเพยงชนะตรงเนี้ยคุณยมเตียวตั้งแต่แม้เพราะเห็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะที่เราสวดตั้งแต่อีตีปิโซภระวารังสมาสมุทโธเนี่ยบางที่เขาจัดสวดเป็นหมื่นจบแสนจบอะไรเนี่ยแต่เป็นบทเพยงชนะที่พระเจ้าใช้บ่อยมากเวลาที่จะกล่าวถึงพระพุทธพระตรรมพระสงค์เนี่ยจะกล่าวโดยแพทเทิร์นนี้เลยนอ๋อค่ะคือตัวพระพุทธองเองก็จะตราย้ำแบบนี้เป็นการ บอกย้ําอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นเช่นไรพระธรรมของพระองค์เป็นเช่นไรใช่พระสงค์ภายใต้คําสอนของพระองค์ควรเป็นเช่นไรเนื้อหาที่เราจมายกมาในพระสูตรนี้น่าสนใจนะเพราะว่าพระตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิโครธา ร, รามนะคือคือบ้านเกิดเดิมของตัวเองนะบ้านเกิดเดิมของพระพุทธเจ้าเองเก็ดดมีพระราชาที่เรียกว่าเป็นญาติกันเนี่ยชื่อมหานามะนะามสกุลเดียวกันคือนามสกุลสากยะนี่แหละ แล้วก็ตอนนั้นพระรูชาวอยู่จำภาษาสามเดือนแล้วก็ออกภาษาแล้วก็จะหลีกไปละเจาะไปลนะเจ้ามาหานามะนี่ก็พอทราบข่าวว่าพระรูชาจะหลีกไปนะคือเขาออกภรษาทําจีวรอะไรกันจะเรียบร้อยละจะหลีกไปแล้วก็เลยมีความความกังวลใจเลยไปหาพระรูชา ว, ว่าเออถ้าแปกว่าในช่วงที่หลีกไปเนี่ยแล้วมีคนที่เจ็บไขยคนป่วยอะไรต่างๆเนี่ยจะบอกจะบอกเขาว่าอย่างไร นะอุบาสกอุบาสิกาที่เจ็บไข้ที่มีปัญญาเนี่ยจะกล่าวสอนบอกสอนบุคคล น, นั้นอย่างไรนะอันนี้น่าสนใจนะผู้ชอบก็เลยบอกว่ามานามาถ้างั้นเนี่ยก็ปลอบประโลมแตนะ่คนที่เจ็บไข้เนี่ยด้วยเรื่องนะสี่เรื่องนี้นะสใน4ะเรื่องนั้นคือเรื่องที่คุณมีความมั่นใจมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนันะ่นคือบทเพี่ยนชนะตรงนี้อย่างอย่างเรื่องคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลนะ อันนี้ไปใช้ได้เลยถ้าคุณคิดถึงพระพุทธพระมพระสงค์แล้วคุณเบาใจคุณสบายใจได้ค่ะอืแล้วอย่างที่สี่นะค่ะอย่างที่สี่คือศีลของตัวเองคือศีลที่ไม่ขายไม่ล้วงไม่ด่างไม่พรายนั่นเองค่ะอืเท่ากับว่าบทการระลึกขอภัยนะคะนที่ฉันถามซ้ําอีกทีหนึ่งว่าเมื่อกี้ได้ยินท่านพูดว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธพรธรรมพระสงค์ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้บางครั้งที่ท่านได้ยินว่าบทสวดทั้งสามเนี่ย เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าบทสรรเสริญคุณพระราชปณะิะตรัยสรรเสริญกับระลึกเนี่ยต่างกันนะคะในความหมายที่แท้จริงคืออย่างไรคะเออเวลาที่เราจะนึกถึงอย่างเช่นเรานึกถึงแม่เราอย่างนี้เป็นต้ น, นคือใช่อยู่เราอาจจะนึกถึงหน้าแม่เราชื่อเราอะไรต่างๆใช่ไหมหนึ่งในนั้นที่เราควรจะต้องระลึกถึงด้วยเนี่ยคือความที่ท่านเลี้ยงดูเรามาคุณธรรมของท่านความดีความงามของท่านตรงนี้ถูกไหม ซึ่งก็งคืออันเดียวกันนั่นเองนะคือพระพุทธเจ้าโอ้โหมีคุณธรรมอย่างนี้่งนี้พระธรรมมีคุณสมบัติอย่างนี้่งนี้พระสงฆ์มีคุณสมบัติอย่างนี้่งนี้เราระลึกถึงตรงนั้นนะเข้าใจไหมคือไม่ได้ระลึกถึงความที่โอ้พระพุทธเจ้ามีแขนมีขาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ได้ระลึกถึงว่าพระธรรมโอ้อยู่ในตู้นะมีเป็นกำบีไบาลานหรือพระสงฆ์เป็นตัวเป็นๆอะไรต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่อย่าง น, นั้นแต่ระลึกถึงความดีความงามตรงนี้เหมือนกัน เท่ากับว่าท่านก็เลยจะบอกว่าทั้งระลึกและสรงเสริญนั้นเป็นเรื่องเดียวกันอ่าใช่ก็คือเราควรจะนึกถึงความดีของเขาตัวเห็นตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นว่าเราะจะบูชาบูชาเทวดาอย่างเงี้ยทาไมคุณบูชาเทวดาทำไมนะซึ่งซึ่ ง, งพระพุทธเจ้ายก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าบูชาไม่ดีแต่บูชาบุคคลที่ควรบูชาอะไรคือสิ่งที่เราควรบูชาเขานั่นคือคุณธรรมที่อยู่ในใจของเขานี่คือสําคัญกว่านะค่ะนะคะจนฝั่งที่เคารพค่ะ คิดว่าสําคัญมากนะคะเพราะว่าบทประลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยอย่างตัวดิฉันเองนะคะท่องได้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะจําได้ว่าทุกวันศุกร์เนี่ยที่โรงเรียนก็จะให้มายืนหน้าชั้นแล้วพวกเราก็จะท่องบทสวดนี้จึงได้รับการทรงจำเนี่ยมาโดยปริยายเวลาก่อนจะนอนหรือว่าเวลาไปไหว้พระในโบสถดิฉันก็จะสวดทั้งสาบทนี้เลยนะคะโดยที่เพิ่งมารู้คําแปล อย่างชัดเจนภายหลังเมื่อก่อนนั้นจะรู้คําแปลในลักษณะของสารพันญะค่ะท่านคะใช่แล้วเขาก็ส่งใดงสาา้าวกศาราชดาใช่ใช่นะครับแต่งตรงนี้ที่ที่แต่งขึ้นมาบรรยายเป็นลักษณะว่าก็คือถอดความมาจากตรงนี้แหล ะ, ะถอดความมาจากตรงนี้นั่นเองแต่ดิฉันว่าเข้าใจยากๆสําหรับบทที่เป็นสารพันญะยากกว่าที่มาแปลอย่างที่ท่านพูดมาสักครู่นะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคอันหนึ่งสําหรับ คนที่เรียนภาษาบาลีซึ่งอะรมาก็จะต้องเรียนต่อตอไปในป ร, ริญแปดป ร, ริญเก้านู่นน ะ, ค, ะคือแต่งคําฉันออกมานะคือคุณอ่านเรื่องราวตรงนี้ออกมาประมาณสักหน้าหน้ากระดาษหนึ่งแล้วคุณต้องแกแต่งกรอนออกมาเนี่ยให้มันได้สักครึ่งหน้าย่อความลงมาตรงนี้นี่เป็นวิชานี้ก็จะต้องสอบเป็นลักษณะเดียวกันค่ะอก็สุดแท้แต่แต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสเอาไว้เองชแล้วก็ ไม่ได้เหลือบา ก, กว่ารงกว่าการที่เราจะเข้าถึงได้ทางตรงดิฉันว่าจาตรงๆนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่ทราบว่าแปลว่าอย่างไรเวลาดิฉันสวดมนต์จะนึกไปด้วยทุกครั้งเลยค่ ะ, ะนึกไม่เป็นนึกแต่บาลีนะคะคือนึกเป็นไทยไปด้วยอันนี้สำคัญนะคว่าเราต้องทราบความหมายด้วย ค, นะคือคือคุณทราบคุณพูดภาษาบาลีไปก็ไม่มีปัญหาในใจคุณก็ต้อง นึกถึงคุณงามความดีตรงนั้นด้วยใช่ไหมหรือบางคนจะสวดแปลด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาใจคุณก็ต้องนึกถึงไปด้วยน ะ, ปร ะ, ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้คําพูดที่เราประมาณสักพูดมาสักสามสี่นาทีตรงแค่3วร์กเนี่ยนะคือพระพุทธพระธรรมประสงค์เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากนะคุณโยมติว๋วค่ะงั้นขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายความลึกซึ้งนั้นด้วยค่ะเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เอาแค่ตัวนี้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหน โอ้โหคุณยมติ๋วไอ้ me, อธิบาย <Hold on. S 1> ตั้งแต่สมัยที่ตั้งความปรารถนาเป็นสามาสมาบุรุเจ้านะบำเพ็ญบารมีมาอย่างไงไอเนี่ยเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเสียสงไข่แสนม้ากลับเนี่ยคุณนับไปเลยชาตินี้ทําม้นี่ชาตินั้นทําไว้น <î s> ั่นนั่นแหละคือเพราะเหตุอย่างนี <ain> ้อย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้อย <ain> ่างนี้นี <ain> ่บาลีว่าอย่างไรนะคะอิติปิอ๋ออ <ain> ิติปิท่าังที่ครบค่ะอิติปินี่แหละเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้โซพระควา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ใช่ไหมพระผู้มีพระภาคความหมายของความพระผู้มีพระภาคนี่มันลึกเข้าไปอีกนะนะว่าไม่ใช่ว่าสอนได้ตัวคนเดียวเองนะแต่สามารถที่จะบอกสอนคนอื่นได้ความรู้ลึกล้ําสามารถที่จะอธิบายข่มขี่ปรับว่าถ้าอันเป็นค่าสึกให้ราบคาไปโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อายาโดยไม่ต้งศตระนี่แค่ความหมายของพระผู้มีพระผู้มีภาคนะอนุมาอธิบายย่อไปนนิดหนึ่งนะ เอาแล้วผู้ไกลจากกิเลสนะผู้ไกลจากกิเลสนะกิเลสเป็นยังไงนะก็อธิบายไปได้ไนะกลนี่ไกล ย, ยังไงพนะระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับดอกบัวนะเกิดจากขี้ตมเกิดจากดินเกิดจากน้ําแต่พอโตออกมาเป็นดอกบัวแล้วขี้ตมดินน้ําเปื้อนไม่ได้นี่คือความที่ไกลจากกิเลสนะเราเป็นสัตว์เกิดในสังสารวัตรแต่พอเราดีขึ้นมาแล้วไอ้พวกนั้นมาเปื้อนเราไม่ได้โอ้แล้วอย่างถึงพร้อมด้วยวิชาแล้วก็ปฏิบายให้ถึงวิชา ในะวิชาคือวิชา8อธิบายไปเลยนะตั้งแต่ความสามารถอย่างไรนะเหตุตาทิพหูทิพเดินหเหาะเคลนเดินอากาศนี่คือวิชา8นะจารณะ15นะมีเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างไรที่ทําให้ได้วิชานั้นหมายอธิบายได้อย่างยาวมากนะเรื่องของพระธรรมเรื่องของประทรงนี่ก็อธิบายกันไปได้อีกนะคือนี้พูดเนี่ยคือย่อมาแล้วคอนเดนซ์มาแล้วเป็นนมข้นมาแล้วค่ะเพราะนั้นเนี่ย สมมตินะสมมตินะคะท่านคะคือไม่มีโอกาสที่จะศึกษ า, าพุทธพจน์ที่สอนมามากกว่านี้รู้แค่สามบทนี้แต่พยายามเข้าถึงให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฟังดูเหมือนว่าจะพอตัวเลยนะคะใชแ่แค่นี้ถ้าเราทำไปทำไปเนี่ยคือคือถ้าคุณมีสามอย่างบวกหนึ่งคือสี่ใช่ไหมสี่อย่างเนี่ยเ็าเรียกว่าโสตาปฏิยังกสีคือองคุณ แห่งบุคคลที่จะเป็นโสดาบันได้ในสมมติเรามี oh. พว่อนดิตนิ้วพว่ตัวนี้ท่านฟังทุทกคน ม, มีมีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีนลนะคุณเป็นโสดาปฏิมากรแล้วนะคุณเดิน oh. อยู่บนทางที่จะทำให้เป็นโสดาบันนะคุณทำไปทํำไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็มายั่วยวนให้เราผิดศีลเราไม่ผิดศีลเรามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยจนกระทั่งสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพเนี่ยมันหลุดออกไปบ้างเนี่ยคุณเป็นโสดาปฏิผลตันงทีเลยนะ คือที่ท่านได้พูดวันนี้นี่ดูเหมือนกับว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อตอนที่ข้างต้นท่านได้พูดถึงว่าท่านไดตรัสเกี่ยวกับถ้าผู้ป่วยไข้ จ, จะให้ท ร, รมาอะไรก็คื อ, อกันกสี่อย่างเท่ากับท่านต้องการให้ผู้ป่วยไข้นั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ได้ความเป็นพระโสดาบันไปอ่าถูกต้องถูกต้องะ ค, ะอ ค, คือโซดาบันเนี่ย เราเป็นโสดาบัณตั้งแต่มันจะมีหลายคุณสมบัติอย่างโสดาปฏิมาค์อย่างเงี้ยคือ <c oughs> แค่ว่าเราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ค่อยเที่ยงเท่าไหร่แต่คุณยังละไม่ได้นะแค่เห็นว่ารู้สึกมันไม่ค่อยเที่ยงเนี่ยแค่นี้คุณก็เป็นโสดาปฏิมาค์แล้วนะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เรามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์เแค่นี้เราก็เป็นโสดาปฏิมาค์แล้วนะแต่ทําไป <c oughs> ทําไปเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นผลขึ้นมาทีนี้ในวันนี้เนี่ยในไหนท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของ คุณสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะระลึกถึงกันให้ถูกแล้วและแถมยังได้ทราบว่าเป็นองค์คุณที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์ในแง่ที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เนื่เข้าใจว่าที่ท่านพูดถึงศรัทธาเนี่ยนะคะอคือการที่เราจะศรัทธาอะไรไม่ศรัทธาอะไรส่วนใหญ่มันก็ต้องจากการที่เรารู้จักอย่างแท้จริงละ ว, ว่าน่าศรัทธาควรศรัทธาก็หน้าที่จะให้วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายเนี่ย จำนวนเลยนะคะว่าไม่ศรัทธาไม่ได้แล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ ะ, คะก็ขยายความไปอีกนิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องของรัตนตรัยตรงนี้ที่เราเราจะต้องให้มีความมั่นใจในะสถานที่ที่คุณโยมติ๋วได้พูดถึงเนี่ยคือความมั่นใจนะมั่นใจให้มีความมั่นใจมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวนะความมั่นใจเรื่องอะไรในะเรื่องแรกก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้งไง แล้วก็พูดถึงอิติปินะัคือเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะัคือคุณจะตรัสรู้ได้อาศัยเหตุอะไรแล้วนะก็พระเจ้าเล่ามาหมดนะนี่เป็นความลึกล้ําของความที่จะมาตรัสรู้ได้นะแล้วตรัสรู้ได้เพราะอะไรแล้วนะก็เพราะวิชาและจารณะนะวิชาก็คือวิชา3วิชา8ปนดะแล้วก็เรื่องของการรู้เห็นเทวดาสวรรค์โลกเป็นอย่างไรนะเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็คือรู้หมด3โลก น้พ ร, รมสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นยังไงนะมีกี่ชั้นกี่ชั้นอธิบายไว้สาสิพบภพภูมิอธิบายไว้อย่างจแจ่มแจ้งหมดแต่เราก็เป็นพูดที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าตรงนี้เคยอธิบายไว้ว่าคนที่ควรฝึกเนี่ยถ้าไปฝึกกับพระองค์เนี่ยจะได้ผลที่อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าจะสอนได้นะในที่นี้ก็คือความเป็นพระอรรณ์นะคนที่ควรฝึกสมมติคุณไปฝึกกับครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นะี้ผลที่ได้ออกมาก็เป็นอย่างที่เขาว่ากันไป ก็จะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ได้ยังมีที่จะยิ่งไปกว่าได้แต่ถ้ามาฝึกกับพระพุทธเจ้าจะได้ผลเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าแล้วการฝึกของพระองค์ก็ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่เป็นการฝึกในภายในนอกจากนี้ยังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาสามารถประกาศอริยสัจเหมือนการบรรลือศีลญาตขึ้นไปตจนถึงชั้นปรมเทวดาที่ได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีความระย่อห่อหดในใจว่าโอ้แม้ตัวเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เป็นผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมจมแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี่เขาขยายมาละอันนี้คือคเรื่องของพระพุทธเจ้าคนะท่านคะก่อนจะต่อไปดิฉันจะย้ำอีกครั้งหนึ่งกับท่านฟังเพราะอยากจะชี้ให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยได้ตรัสถึงว่าพระองค์เป็นครูผู้สอนที่ไม่มีใครยิ่งกว่าอืเป็นครูสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพร ะ, ะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสพบพระธรรมของพระพุทธองค์พบพระพุทธเจ้าแล้ว อย่าลืมนะคะครูที่ดีที่สุดในโลกแล้วค่ะอนิมนต์ค่ะท่านคะ่ะต่อไปคือเรื่องของความรู้ที่ตรัสรู้นะคืออันแรกมีความมั่นใจละในการตรัสรู้ของพระเจ้านะคือคข้อแรกนะข้อที่สองแล้วสิ่งที่ตรัสรู้น่ะคืออะไรนะก็คือมีคุณสมบัติว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้เองเห็นได้เองนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้นะคือทําได้นะด้วยตาด้วยหูของเรานะคือไม่ใช่พูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็เป่าวๆๆ่า า, านะทำไม่ได้ แต่มีนิพพานแล้วมีทางให้ถึงนิพพานด้วยนั่นคือมัคนั่นคือสิ่งที่ทําได้นะเราก็ให้ผลได้ไม่จํากัดการนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะหรือจะเป็นในสมัยใดยเป็นผู้ชายผู้หญิงนะถ้าทําก็ได้ผลอย่างเดียวกันไม่จํากัดการนะแล้วก็เป็นสิ่งที่พอเรารู้เองเห็นเองเราได้แจ่มแจ้งในใจแล้วเนี่ยแม้เราอยากเชิญคนอื่นมาดูมารู้ด้วยเพราะมันเป็นกองที่แบบให้กันไม่ได้นะ นะคือ <Okay. S 1> สมมติเรานั่งสมาธิจิตรวมลงไปไม่สามารถจะแบ่งให้คุณโยมติว๋วแบ่งให้ท่านผู้ฟังได้แต่เรียกมาถามมาชักชวนมาให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะ น, นี้เป็นสิ่งที่จึงเป็นคุณสมบัติที่ว่าควรเชิญกับท่านผู้อื่นมาดูนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้รู้จะรู้ได้เฉพาะตนนะคือวินยูชนคือคนที่ทําดีปฏิบัติ ด, ดีแล้วจะได้นะ น, นี้เขาจะรู้ได้นะเหมือนกันเป็นอันนี้จะสอดคล้องกับคนที่ฝึกไดนะ้คือถ้าคนฝึกไม่ได้ก็ฝึกไม่ได้นะ แต่ถ้าคนฝึกได้แล้วจะให้มันสุดยอดเลยพระุทธเจ้าฝึกได้เพราะฉะนั้นคนที่ดีฝึกได้แล้วเขาจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่คือเรื่องของพระธรรมส่วนเรื่องของสงสงในที่นี้ก็คือหมายถึงการปฏิบัตินั่นเองข้อแรกคือมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าใช่ไหมข้อที่2คือเนื้อหาที่ตรัสรู้นั้นคืออะไรนี่คือพระธรรมและข้อที่3คือถ้าเราทําเราจะได้ตามแบบพระพุทธเจ้านี่คือการปฏิบัตินี่คือข้อ3 นข้อที่สามเช่าจึงพูดถึงการปฏิบัติดีในปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกขปฏิบัติสมควรแล้วในในสการปฏิบัติเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของศีลปฏิบัติอะไรคือปฏิบัติศีลในปฏิบัติสมาธิปฏิบัติด้วยปัญญาแล้วทําให้เข้าถึงวิมุติสี่อย่างใะพอเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยลำดับที่ไล่มาตามขั้นในพระเจ้าก็พูดถึงคู่4คู่นับเรียงตัวได้8คน8บุรุษ นะ่นก็ได้มาตั้งแต่โสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกัตาคามีมกักสกัตาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลแล้วก็อรัตธรรมักอรัตผลนะทั้ง4ีกู่แปดบุคคล น, นี้นะเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่เรียกว่าถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติ ด, ดีจนถึงที่สุดแล้วไปตามลําดับขั้นเนี้ยจะเป็นบุคคลที่ควรสักการะนะควรต้อนรับควรบูชานะควรให้ทานถวายทานเป็นเนื้อนาบุญ เนตรงนี้นี่คือเรื่องของพระสงฆ์นั่นเองนะคะก็ครบทั้งองค์สใช่ค่ะพระสงฆ์ในที่นี้จะสังเกตได้ว่าไม่ได้พูดระบุถึงเรื่องเครื่องแบบเลยนะว่าต้องกวนผมผมเรืองหรือไม่นะแต่คุณสมบัติแค่นี้เองคือการปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฆราวาสคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณก็มีคุณสมบัติของความเป็นสงฆ์ได้เหมือนกันเนาะอ๋อค่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าไม่ใช่พระสงฆ์ทุกรูปจะหมายถึง พระสงค์ในลักษณะที่พระพุทโธกลัดไว้ถูกไหมคะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหมายถึงว่าคนที่ก้นผมห่มเหลืองทุกคนอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะคะใช่ใช่ตู่นตั ง, ง, งค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รู้คุณสมบัติไว้ที่ฉันก็เชื่อว่าผู้ที่กําลังฝึกปฏิบัติตนอยู่ทั้งอยู่ในลักษณะในเครื่องแบบหรือไม่ในเครื่องแบบก็จะได้รู้ว่าอ๋อปฏิบัติแล้วจะต้องมีทั้งดีทั้งตรงทั้งควร ใช่มคะใคะซึ่งดีตรงควรนี่คงจะมีรายละเอียดอีกใช่ไหมคะว่าดีอย่างไรตรงอย่างไรควรอย่างไรอตัวนี้เคยอธิบายขยายความถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์สี่อย่างค่ะนะคะซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยโอกาสเหมาะสมว่าคงจะได้มาพูดถึงกันต่อไปวันนี้ในกรอบของเวลาที่เรามีอยู่ก็ถือว่าได้อธิบายได้ครบถ้วนทีเดียวนะคะท่านคุณบุญค่ะนะคะก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนมัสการค่ะท่านฟังที่ครบค่ะ การของเราสรนนีสนทนนะคะวันนี้ต้องถือว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกับประสูตรที่สําคัญมากคือแนะนําให้รู้จักพระพุทธองค์ได้รู้จักพระธรรมของพระองค์ได้รู้จักพระสงฆ์ของพระองค์แล้วบทระลึกเนี่ยค่ะยังเป็นบทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบ่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วยทั้งนี้แปล ว, ว่าสําคัญนะคะแล้วก็ ยังสามารถจะเป็นบาทฐานที่ไปประกอบกับในธรรมอื่นยกตัวอย่างเช่นประกอบกับศีลถ้าทำได้อย่างครบถ้วนคือศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยตามคุณสมบัติดังกล่าวและรักษาศีลดีแล้วก็จะได้ขึ้นบันไดไต่ไปเป็นอริยบุคคลชั้นแรกคือโสดาบันพ้นทุกข์มากขึ้นทุกข์น้อยลงวันนี้เราคงจะฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้นะคะมาตักตวง ทำซึ่งล้ำค่าจากรายการสันสนีสนทนากันได้ใหม่นะคะในรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันสนีนาคพงศาท่านไปในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ